ธรรมบทแปลเรื่องพระสารีบุตรเทระภาคที่สเรื่องที่78พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรารมพระสารีบุตรเทระพร ะ, พระธรรมเทศนานิว่าอสัตโธอากะตันยูจสันทินเฉโทจะโยนโร ตาวะกาโสวันธาโสสเวอุตมะโปริโสแปลว่านรใดไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้แต่ที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้วนรนั้นเป็นบุรุษสูงสุด ความพิสดารในเรื่องนี้ว่าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30สรูปวันหนึ่งไปสู่สำนักพระาศาสดาถวายบังคมนั่งแล้วพระาศาสดาทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายกองภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตร เทระมาตรถามปัญหาปรารภอินสียห้าอย่างนี้ว่าสาริบุตรเธอเชื่อหรืออินสี่คือศรัทธานั้นบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างถึงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระเทระตูนแก้ปัญหานั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พรงผู้เจริญ ข้าพระรงค์ย่อมไม่ถึงด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในอินรีห้านิแล ว, ว่าอินรีคือสัท ธ, ธาเป็นต้นมีอมะตะเป็นที่สุดค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอินรีคือสัท ธ, ธานั่นอันชนเหล่าใดไม่รู้แล้วไม่สะดับแล้วไม่เห็นแล้วไม่ทราบแล้วไม่ทําให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้อง แล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึ่งถึงด้วยความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอินสีห้านั้นว่าอินสีคือศรัท ธ, ธาเป็นต้นมีอ ม, มตะเป็นที่สุดดัง น, นี้ภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วสนทนากันว่าพระสารีบุตรเถระแก้แล้วด้วยการถือผิดทีเดียวแม้ในวันนี้พระเถระ ไม่เชื่อแล้วต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเทียวพระาศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวคำชื่ออะไรกันนั่นเราแลถามว่าสาริบุตรเธอเชื่อหรือว่าบุคคลผู้ไม่สมูรุมอินสียห้าไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถเพื่อธรรมม และผลให้แจ้งมีอยู่ก็สารีบุตรนั้นกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เชื่อว่าผู้กระทำให้แจ้งอย่างนั้นชื่อว่ามีอยู่สารีบุตรไม่เชื่อผลวิบากแห่งทานอันบุคคลถวายแล้วหรือแห่งกรรมอันบุคคลกระทำแล้วก็หาไม่ห น, นึง่งสารีบุตร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 และเมื่อจะส่งแสดงตามสื่อปนุสนที่จึงตรัสพระกาานี้ว่านาราใดไม่เชื่อง่ายมีบกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้อัที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้วนารานั้นเป็นบุรุษสูงสุดบาลีว่า อ, อาสัตโธอะกะตันยูจสันทิชเฉโทจะโยนะโรหะตาวะกาโสวันตาโสสะเวอุตตะมะโภริโสในเวลาคำเหล่านั้นคำว่าอาสัตโธพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้นระชื่อว่าอาสัตโธ คือไม่เชื่อง่ายเพราะอาจว่าไม่เชื่อคุณอันตนแทงตลอดแล้วด้วยกรรมของชนเหล่าอื่นชื่อว่าอากะตันยูคือมีปกติรู้พระนิพาน์อันปัจจัยทําไม่ได้เพราะอัตตว่ารู้พระนิพานอันปัจจัยทําไม่ได้แล้วอธิบายว่ามีพระนิพาน์อันตน ทำให้แจ้งแล้วชื่อว่าสันติเฉโทแปล ว, ว่าตัดที่ต่อเพราะอัตถาว่าตัดที่ต่อคือวะตะที่ต่อคือสองสารและดำรงอยู่ชื่อว่าหะตาวะกาโสแปล ว, ว่ามีโอกาสอันกำจัดแล้วเพราะอัตถาว่าโอกาสแห่งการบังเกิดชื่อว่าอันระ กำจัดแล้วเพราะความที่พืชคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมสิ้นแล้วชื่อว่าวันตาโศแปลว่ามีความหวังอันคายแล้วเพราะอัตตาบ่าก็มั่งทั้งปวงชื่อว่าอันนารานี้คายแล้วเพราะความที่จิจอันตนควรทำด้วยมรซีอันตนกําหนดแล้วกอ น, นระ เห็นปาน่า น, นนี้ใดนานนันแลชื่อว่าผู้สูงสุดในบุรุษพระอัตถาว่าถึงความเป็นผู้สูงสุดในบุรุษทั้งหลายเพราะความที่แห่งโลกุตระธรรมอั้นตนแต่งตลอดแล้วนเนวลาจบราพระกาภิกษุ ป, ประมาณส0รูปผู้อยู่ป่าเหล่านั้นบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้ว แต่บรรเทศนะได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แหละเรื่องพระสารีบุตรเดระ